ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิยไลศีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องพระสูตรในสังยุตตในสังยุตนิกายเช่นเคยเป็นพระสูตรที่ก็อยู่ในอีกหมวดหนึ่งแต่คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทวดาอยู่ เพราะว่าหมวดนี้ท่านเรียกว่าเป็นเทวตาสังยุตคือสกาทวัคเทวตาสังยุตก็เป็นพระสูตรแรกในวัดเรียกว่านันทวัคือวัคที่ประรพด้วยสวนสุนันทาซึ่งเป็นที่เรื่นรุมในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีข้อความโดยสรุปว่า เมื่อพระผู้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทตวันอันเป็นอารามของอนาตบินธิกาเศรษฐีในเมืองสาวชีรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ส่งแสดงว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ผู้เทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งแวดล้อมด้วยหมู่นางอักษรซึ่งเออบิอมพร่างพร้อมด้วยเบญจกรรมคุณอันเป็นทิปพวกนางอักษรบำเรออยู่ในสวนนันทวันได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าเทวดาเหล่าใดไม่เห็นนันทวันนั้นอันเป็นที่อยู่ของหมู่นราเทพสามสิบผู้มิยศ เทวดาเหล่านั้นย่อมไม่รู้จักความสุขเออข้อนี้ท่านผู้ฟังอย่าสังเกตว่าแนวความคิดของเทวดาเนี่ยส่วนมากจะ ย, ยึดติดในรูปแบบของโครงสร้างทางความคิดที่ท่านใกล้ชิดกับเรื่องอะไรแล้วเนี่ยท่านก็ไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด แล้บางครั้งบางคราวก็เป็นระบบความเชื่อที่เชื่อตามๆกันมาแล้วก็ไม่เคยคิดโดยเหตุโดยผลเท่าไหร่บันเราจึงพบว่ามีพระพุทธภาสิตเป็นอันมากที่ส่งท่วงจริงส่งเสริมเติมแล้วก็ส่งประทานข้อสังเกตในขณะเดียวกันก็ส่งรับรอง ว่าเป็นความถูกต้องดีงามระดับหนึ่งที่สำนวนบาลีใช้คำว่าเป็นอาชิพรหมจรรั๋นพระทเทวดาก็มองจากวัตุกรรมที่ปรนปลือตนอยู่ในขนาดนั้นคำว่าเทวะเนี่แปลว่าผู้เที่ยวเล่นโดยสนุกสนานเบิกบานใจ ก็สิ่งที่ท่านสัมผัสแล้วก็เป็นทิพย์ก็คือมีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์เพราะอารมณ์ของท่านเนี่ยมันก็มีความละเมียดละไมเมื่อเทียบกับความรู้สึกของชาวโลกเพราะท่านเรียกอย่างหนึ่งว่าสวรรค์คําว่าสวรรค์แปลว่าอารมณ์เลิศทีนี้อารมณ์คืออะไร ยานในปัจจุบันเราก็มีการประรบถึงเรื่อง IQ, EQ, m ออะไรกันค่อนข้างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง EQ ก็มักจะเน้นไปในแนวของความรู้สึกยึกคิดเป็นลักษณะทางอารมณ์ของคนซึ่งทางพุทธศาสนาเองก็เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าธรรมารม ก็หมายความว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลแต่ว่าอารมณ์จริงๆเนี่ยมันมีหกประเภทที่เราจะเห็นว่าก็ครอบคลุมสากลจักรวาลไว้ทั้งหมดมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและก็ส่วนที่เป็นนมามธรรมเพราะฉเราศึกษาพระพุทธศาสนาในรายละเอียดคือเข้าถึงปรมาตรธรรมระดับวิปัสสนากประฐานไปเนี่ย มันก็จะมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่เป็นรู ป, ปรธรรมกั น, นามรธรรมก็เรียกรวมว่านามรูปหรือรูปนามก็แล้วแต่จะพูดทีนี้บางทีเนี่ยอย่างในอภิธรรมท่านกดนับให้ดูเป็นจำนวนมากก็ต้องท่องจำกันเป็นอาขยานเลยเพราะนบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องใช้ความเข้าใจเอาพอจะใช้วิธีการท่องจาเนี่ยมัน ลำบากเหมือนกันคือต้องจําเยอะแต่ถ้าเราใช้ระบบการเข้าใจเนี่ยคือจับประเด็นให้ได้เมื่อเราเป็นโลกสัมผัสเรามีอญญายตนาภัยในอญญายตนาภัยนอกมันเป็นทางเกิดทั้งของกุศละกุศลและก็อปิญักตรเพราะเราเป็นโลกสัมผัส เพราะสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยมีด้างมีดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างที่นี่ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของเราในการมองอารมณ์เหล่านั้นเพราะถ้าเรามีสติปัญญามีเหตุผลในการมองทุกอย่างมันก็หาประโยชน์ได้ อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าระดับศีลระดับธรรมะปฏิบัติด้วย ร, ระดับศีลธรรมตลอดถึงระดับสมาธิเนี่ยมันจะมีการจำแนกแยกแยะค่อนข้างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วควรจะมีท่าทีที่ถูกต้องอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้น แต่พอถึงระดับวิปั ส, สนาเนี่ยแปลว่าเป็นปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่สำคัญเพราะว่ามันก็อยู่ในกลุ่มขอนามารุปเพียงแต่ว่าเราคิดยังไงเราเข้าใจยังไงแล้วจิตใจเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดความเข้าใจของเราในอารมณ์นั้นเพราะในสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ และกลางๆ ก, ก็ได้เพราะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ระบบกันเขาเรียกโยนิสุปนสิกาคือการทำไว้ในใจด้วยอุบายวิธีที่แยกข่ายคนจะสามารถหาประโยชน์ได้จากทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีแล้วก็ส่วนที่เป็นกลางๆเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยพูดเรื่องตอนสมุทัยศัตว์กับตอนนิโรธสัตว์ เราเห็นว่ากิเลสมันก็เกิดมาทางอายตนะภายในแล้วมันเองก็คืออายตนะภายนอกตามปกติแล้วก็เป็นเรียกเป็นวัตถุกรรมทีนี้มันจะเป็นกรมหรือไม่เป็นกรมเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราคิดใจเราไปกำหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ มันก็เป็นวัตถุ ก, กรรมของเราคนหนึ่งกําหนดเฉยๆมันก็ไม่มียินดียินได้คนหนึ่งกําหนดด้วยความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจก็เกิดกิเลสประเภทโทสะเพราะนํารูปที่จริงมันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยการจะเป็นเหตได้เกิดกิเลสหรือเกิดธรรมะ หรือแม้แต่เกิดบรรลุมพระผลนิพพานเะนี่ย้จริงก็อาศัยนามนรู้ด้วยกันพระเทวดาเนี่ยท่านกำหนดอารมณ์เหล่านั้นว่าหน้าชื่นชมยินดีสนวนบาลีใช้คำว่าอิทากันตามนาปาเปรียบว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจอแสดงความชื่นชมของนันทวัน ก็แล้วแต่ใครจะคิดอ่ะคือสมมติว่าคนที่ไปอินเดียเนี่ยก็บางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่ได้ไปสังเวชนิยสถานทั้งสี่ตำบลก็ไม่ได้ชื่อว่าไปอินเดี ย, ยถามว่าถูกต้องไหมมันก็ถูกต้องในแง่ของชาวพุทธแต่ไม่ใช่ถูกต้องในแง่ของอิสลามหรือแง่ของชนชาติอืน่น เราจะลืมว่าในประเทศอินเดียเนี่ยรัชวงศ์อิสลามปกครองอยู่นานเพราะมีโบราณสถานเป็นอันมากที่เป็นผลงานทางศาสนาของอิสลามเช่นว่าทัตมาฮันเป็นต้นเนี่ยเพราะถ้าเขามองจากสายตาของอิสลามเขาก็รู้สึกว่าทัาไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับไม่ไปไม่ได้ไปอินเดีย นี้มันขึ้นอยู่กับว่าอย่างพวกนักสถาปัตยกรรมนักปฏิบัติกรรมนักวิจิตสินปณิสินนักศาสนานักประยาว่างก็มองต่างกันหมดแหละไอเกณฑ์มาฐานกําหนดว่าไม่ชื่อว่าไปอินเดียเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยุติแต่ถามว่ากัใครถูกต้องมันก็อยู่ที่ความพอใจความพอใจของคนนั้นก็คือความถูกใจคน ก็ถูกต้องด้วยกันถ้าหากว่านำไปสู่การไม่เบียดเบียนประทุสรายกันก็ถือว่าถูกต้องเพราะมีประเด็นที่เทวดาเขากล่าวเนี่ยคืออย่าลืมว่าเทวดาเนี่ยเป็นเป็นการเล่าเป็นการเล่าย้อนประวัติศาสตร์อย่างที่เคยพูดเรื่องทศกูตรเป็นสูตรที่ว่าโดยยอดแห่งทง พระเจ้าจะขึ้นต้นด้วยคําว่าลูกกรภิกูตทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพูตะปุพังภิกเวเดวาสุรสซังาโมสมุปยุนโฮโหสิเรื่องเคยมีมาแล้ ว, ว, วคําคหนึ่งเกิดมายุธสงครามระหว่างเทวดากับพวกอสูรมันเป็นเรื่องย้อนอนดีตอดีตไปไกลหรือว่าเรื่องนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้น เพียงแต่พระพุทเจ้าต้องการจะสอนให้เราเห็นเรื่องการมองโลกมองชีวิตของคนซึ่งอารมณ์เดียวกันนี่แหละแต่ว่ามองกันคนละลักษณะเทพบุแสดงความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีต่อนันทวันจนถึงกับมีการพูดว่าถ้าไม่เห็นนันทวัน ก็ไม่รู้จักความสุขทีนี้ถามว่าสุขอย่างเนี้มันมันมันสุขจริงหรอือเปล่ามันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการพอใจพอใจในรูปอย่างนี้เขาก็เป็นสุขจากการดูรูปอย่างนี้พอใจจากการฟังเสียงอย่างนี้เขาเป็นสุขจากการฟังเสียงอย่างนี้พอใจจากการดมกลีนอย่างนี้เขาก็เป็นสุขจากการดมกลีนอย่างนี้เพราะงั้นมันไม่ใช่ข้อยุติ แต่นในขณะเดียวกันการมองอย่างนั้นเนี่ยก่อให้เกิดการสยบติดแล้วก็ถ้าถ่ายถอนไม่ได้มันก็กลายเป็นการหลงหรือการยึดติดอยู่ในเรื่องแบบนั้นแนวการมองอย่างนี้ยางที่เคยเล่าเรื่องประวัติพระนันทะเราเห็นว่าจิตใจของพระดันทะ a ที่ตั้งกระสันอยากจะสึกออกไปเพื่ออยู่ร่วมกับ เจ้าหญิงชนบทกาฬยาณีเนี่ยเพราะท่านมองเห็นว่าเธอสวยสุดๆจิตก็คลุกคล้าวอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นและไม่ยอมไปไหนทีนีล้ลักษณะการคลุกคล้าวของจิตเนี่ยคือบางทีมันถึงตายอาจจะเป็นกลิก่นก็อาจจะเป็นรสก็ได้หรือทั้งกลิ่นทั้งรสก็ได้อย่างในชา ด, ดกได้เล่าถึง ตุนักจิงจอกตัวหนึ่งไปเจอกับศบช้างตายแล้วเธอก็กินเข้าไปทางถวานักอาหารข้างในมันเยอะนะกินกระเพลนเข้าไปก็กินเข้าไปเรย่อยศพช้างก็พองขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ทะเลน้ำทะเลก็ซัดขึ้นฝั่งก็ค่อยดึงลงไป ก็ลอยลงไปในทะเลพอตอนซากศสพส้างจะจมอ่ะก็ตกใจดิ้นกว่าจะหลุดออกมาได้ในี่เกือบตายนั้นก็สแสดงว่ามันยึดติดในอาหารอย่างเดียวประทําให้ตายได้พระโพธิสัตว์ได้เคยเกิดเป็นนก ปฏิใจจัยในรสหวานของเกสรบัวของน้ำหวานในเกสรดอกบัวเอ่กลิ่นหอมของเกสรดอกบัวดูดดื่มเพ ล, ดพลดิดเพลินโดยรสด้วยกลิ่นนนะโดยสัมผัสด้วยจนตกเย็นเนี่ยดอกบัวมันหุบล้วไม่รู้สึกตัวออกมาไม่ได้กว่าจะออกมาได้ก็ต้องรุ่งเช้าดอกบัวเริ่มบานยังออกมาได้ โดยการทรงสอนให้เห็นถึงลักษณะว่าอะไรก็ตามถ้าเราปักใจฝังใจว่ารูปสวยเสียงไปร้องกีนหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการยึดติดก็ด้วยอำนาจขอ้นตัญหาและอุปาทานอุปาทานมันก็เป็นพบขึ้นภายในจิตก็กลายเป็นเข้าสู่กระบวนการของปัตยาการพระเทวดาท่านเพลิดเพลินในนันทวัน ก็ที่จริงก็เป็นอุทยานนะอุทยานนันทวันมันก็แสดงถึงภูมิศาสตร์ของสวรรค์ว่าก็มีสวนมีสระแล้วก็มีวิมานมีธรรมสภาชื่อสุธรร ม, มามีสวนชื่อว่ า, ามีสวนชื่อว่าสุนันนันทานันทวัน มีสะชื่อวาสุจิตราแกวเป็นการอธิบายก็ททำนองลคล้ายๆกับโลกมนุษย์ความเป็นมาของนันทวันกับความเป็นมาที่ท่านใช้คำว่าเป็นที่อยู่ของนารเทพสามสิบผู้มียศคือนารเทพสามสิบกับผู้มียศเนี่ย ก็หมายความวานั้นไรชนที่เป็นเทพก็หมายความว่าเป็นเป็นชีวิตระดับสูงทีนี้ในในในตรงเนี้ยท่านบอกแค่สามสิบที่จริงมันก็สามสิบสามนะฮะแต่ท่านก็บอกสามสิบคือเกิดขึ้นมาจากการเกิดในเทวโลก ของเทวดาถึงถ้าเรามองตำนานแลมะมันก็ยุคแรกเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยถ้าเร า, าสวรรค์ชั้นดาวาดึงเนี่ยเป็นที่อยู่ของเวปจิติอสูรหือเป็นที่อยู่ของอสูรแต่ถ้าเราอ่านที่ท่านเล่ารายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วคล้ายๆประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของเผ่าอารยันกับที่เรียกว่าอินโดยูโรเปียนกับดราวิดเดนเพราะนพวกเทวดาเหล่านี้มันก็เหมือนกับพวกอารยันหรืออินโดยุโรเปียนปัวซูลก็เหมือนกับพวกมิลค ะ, ะหรือว่าดราวิดเดน เมื่อตอนอารยันบุกเข้ามาทางอินเดียเนี่ยก็ถูกขับไล่ลงมาทางใต้จนมาถึงทิธามินนา ด, ดูเนี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เลยหายหลงไปลังกาตำนานเหล่านี้ที่จริงมันเป็นตำนานก่อนพุทธกาลไม่นานเท่าไหร่ผมจะเป็นสักพันปีหรือพันกว่าปีแต่ว่าเรื่องแนวเนี้ย ม, มันมีอยู่บ่อยใน กรณคดีของอินเดียคือพูดไปพูดมามันดูคล้ายๆประวัติศาสตร์แต่ว่าเล่าขานกันจนเป็นตำนานเทพเจ้าซึ่งกระแสะความคิดในแนวอย่างเนี้ยมันก็มีอยู่ในดินแดนที่เป็นทวีปเอเชียหรือแม้แต่ยุโรปอเมริกามันก็มีลักษณะอย่างเนี้ยคหมายความอธิบายเล่าไปเล่ามามนุษย์เป็นเทวดาไปได้ พานอายุคนไปมากมากหลายร้อยปีหลายพันปีก็กลายเป็นประวัติเทพเจ้ามีการแต่งตั้งตำแหน่งย้อนหลังคล้ายๆกับพระรามก็ดีหรือพระกฤษณะก็ดีหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าต่างบวามชื่อถือในศาสนาฮินดูเขาก็ถือว่าเป็นอวตารของพระพุทธเจ้าแต่อวตารของพระนาราย ที่จริงแล้วความเชื่อเรื่องพรนารายมันก็เกิดทีหลังเกิดทีหลังศาสนาแต่ว่าก็เพื่อจะเสริมให้เข้มแข็งขึ้นในแนวของการพยายามผสมกลุ่มกลืนที่เขาเรียกว่าแดนะ่หอกเนี่ยคือพยายามผสมกลุ่มกลืนอย่างนี้มันก็มีมาตลอดอแต่เราไม่ค่อยได้คิดให้ลึกซึ้ง มองว่าเรื่องอดนานกลายเป็นเรื่องใหม่อะที่จริงมันไม่มีอะไรใหม่ในโลกมันเกิดซ้ำซากเพราะเป็นอาการของกุศลกับอกุศลเนมนุษย์เมื่อเป็นละล้านปีมาแล้วก็มีโรคปวดลงมีราคะมีโลภมีโทสะมีโมหะในขณะเดียวกันก็มีการจางไปคลายไปบันเทาไปของราคะโลภโทสะโมหะจนถึงก็ดับราคะโลภโทสะโมหะได้ โลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยมนุษย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่จริงมันไม่มีอะไรใหม่เป็นเรื่องของเก่าที่เกิดขึ้นซ้ำซากมันเปลี่ยนแต่เวลาสถานที่บุคคลแต่เจตนากรรมและผลซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนคือมันจะมีบวกลบอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่า คนเราไม่เคยได้คิดคือเป็นเป็นเรื่องที่แปลกจย่งอานักการเมอเืองเนี่ยจะเรียนประวัติศาสตร์นักการทหารจะเรียนศึกษาเรื่องการศึกสงครามต่างๆแล้วถ้าเราลองสังเกตว่าการท่อสึกสงครามต่างๆในโลกนี้มันก็มียุทธการยุทธวิธีไม่ทล า, ายหรอกเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นพวกพยุหะ คือจัดเป็นรูปของพยุหะต่างๆก็ ม, มีไม่มากเพียงแต่ว่าไม่รู้อะไรมันจะเกิดแค่ น, นั้นเองแต่ถ้าเกิดแล้วก็นึกออกว่เออนี่มันก็ะซัาก็เมื่อนั้นเมื่อนั้นเมืๆๆๆๆ่อนั้นเพราำนานเทพเจ้าในเรื่องนี้ที่ท่านประรบขึ้นมาเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของมขปนกที่พระพุทธเจ้าเล่าให้มาละเอกสารมาลิของลิชวีเนี่ยได้ได้ไดฟัง คือเจ้ามาลีเนี่ยก็เป็นสหายของพระเจ้าประสิ็นิ์ที่กดสนกับันดุละเสนาบดีไปเรียนมาจากตักกศิลาด้วยกันแต่มาถึงก็สแสดงถึงศิลปะที่ศึกษาแล้วเรียนมาตั้งใจมากเกินไปนะฮะจนพระเนตรบอดไปแล้วก็อยู่ในที่เป็นครูบาอาจารย์ของลิชวีกูมาร เพราะฉะนั้ึงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าทรงแสดงในท้า ก, กะเนี่ยท่านก็คล่องของใจสงสัยว่าพระเจ้าทรงเห็นท้า ก, กะหรือว่าเป็นตํานานหรือเป็นเรื่องประดมประทร้า ก, กะมีอยู่จริงไหมพระเจ้าก็เล่าถึงความมีอยู่ของท้า ก, กะแล้วก็ตัวคนที่เป็นท้า ก, กะในยุคนั้นเน่ย ยุทธิ์พระเจ้ายัางทรงพระชนอยู่คือถ้าเรามองถึงชาดกเราจะเห็นว่าทศกักฐ์นี้ก็จุติอย่างทศกักฐ์ในสมัยพระเวสสันอรมันก็จุติมาเป็นพระอนุรุษแล้วก็ออกบวชก็บรรลุมรรผลเป็นพระานไปมัะก็แสดงว่าตำแนหน่งในนี้นมันก็เปลี่ยนเห็นแต่ว่าทศ ก, กั องนี้องที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะคท่านก็หมดอายุตั้งแต่ผู้เจ้าศัตรใูใหม่ๆแล้วก็ลังจะตุติยติก็หวาดกลัวเสียดายทีิพยวิมานทั้งหลายก็มาเฝ้าผู้เจ้ากับปัญจสิกะเทพบุตรโดยปัญจสิกะเทพบุตรได้ดีพินนะฮะสีเหมือนกระดอกมาด้วยลูกมะตูม บรรยายเรื่องความรักกับธรรมะไพเราะมากแล้วก็ถือว่าเก่งมากพระเจ้ายัางชมว่ารีพินได้ดีแล้วก็ร้องเพลงก็ได้ดีระสมกัธรรมะก็วาดได้ดีแล้วทศกัณฐ์หลังจากฟังสกปญหาสูตรที่ท่านกราบทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็จุติแล้วก็ไปสนทิสรงนั้น เลวก็เป็นทาศากะใหม่เป็นทาศากะหนุ่มแต่ีอันนี้มันก็เป็นเป็นตำนานในชาติก่อนๆครับท่านคือหมายความมาก่อนที่จะเป็นทาศากะทึ่งจุติไปแล้วแล้วก็ก่อนที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจะเป็นที่อยู่ของเทพสามสิบสามองค์ท่านก็บาเพ็ญสาตาณกุศลชื่อนาวมาคามนบหมู่บ้านชื่อว่าอาจรคาม ก็มันเป็นความดีในรูปของการสร้างทางสวรรค์แล้วก็เพื่อนก็เห็นชอบด้วยก็เข้ามาสมทบช่วยทั้งสร้างทางสวรรค์ด้วยกันก็รวมแล้วเบ็เสร็จเนี่ยมันเป็นสหายสามสิบสองคนสามสิบสามทั้งตัวมาขับมานบแล้วก็สามสิบสี่ทั้งนายช่าง แล้วก็สามสิบห้าทั้งช้างที่เป็นตัวขนยายทพสัมภระมาสร้างมา ส, สาร้างศาลาสุธรรมาผมก็กลายเป็นตำนานยาวที่เขาเล่ากันอยู่เนี่ยนะและว้วพระเจ้าก็นำมาเล่าเฉพาะประเด็นที่เทวตรองค์หนึ่งก็ไปยึดติดในสถานที่เหล่านั้น มผลตำนานวววกวนกวนเกษียนสมุดก็ดีกวนอะไรแต่ อ, อะไรกด็ดีว่าเกิดตรงนี้มันจะมีเยอะเลยเรื่องราวที่เกี่ยวกับ เ, เทพเจ้าพูกนบประเคราะห์ทั้งหลายตำนานที่เรียกว่าเทพ ป, ปการน้มเนี่ยมั น, ม, นมันจะเชื่อมโยงอยู่ตรงนี้เยอะเพราะบางครั้งบางคาเราเรียนเราเรียนพระสูตรเนี่ยจากจากพระสูตรหนึ่งเนี่ยคือข้อความในพระสูตรมันจะไปโยงกับเรื่องอื่นแล้วก็ดึงก็ไปหากัน บางครั้งข่าวเลยจะกลายเป็นเรื่องยาวเอ่อเทพเหล่านั้นก็มีเอราวัณเทพบระบรุที่จริงก็เป็นเทพบระบุเมื่อชาติก่อนเป็นช้างแต่ว่าทำงานบริการสาธารนณะชนด้วยจิตที่เป็นกุศลคือทำให้เราได้หลักอย่างนีง่ยอย่างที่เคยเล่าของสุนักที่เกิดเป็นเทพระบุเอ หรือกบที่เป็นเทพบุตรุหรือครั้งค่าวที่เกิดเป็นเทพบุตรุอันนี้ก็อยู่ในในในพระคัมภีร์นะฮะเป็นพระบาลีพุทธวจนะพระเจ้ารับสั่งเล่าเองอันนี้ก็ช้างก็เป็นเทพบุตรแต่ยุคนี้ไม่มีศาสนานะยุคที่มฆะมโนบบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ไม่มีศาสนาเป็นยุคกว้างศาสนาแต่ว่ามนุษย์เนี่ยต่างคนต่างก็มีบรารมี มากน้อยยิ่งหยอนแตกต่างกันเขาไม่ีวิธีคิดวิธีทมวิธีพูดของเขารือไม่จำเป็นจะต้องสอนก็ได้นะฮะโดยวุฒิภาวะที่มันผ่านการสร้างสมบรมบา ร, รมีมาอย่างในมงคลสูตรทั้งฝั่งลองสังเกตนะฮะว่าอัตตสมาปณิชิเนี่ยมันอยู่ก่อนการศึกษาศิลปะวิทยา หมายความการตั้งตนไว้ชอบเป็นฐานที่จะดึงเอาความดีอย่างอื่นเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตแต่ตัวเองต้องตั้งตนไว้ชอบก่อนถ้ามรยอตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะาคล้ายๆกับเราจะาน้ำใส่ขวดแล้วคนนึ่งแกว่งขวดอยู่เรื่อยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะข้าไปได้ ว่าการวางตัวไว้เป็นฐานที่จะเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยจึงมีความจะเป็นการมองในลักษณะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันในพระใจ้าปิกนะได้รับสั่งเล่า ว, ว่ามีสวรรค์ระดับดาวดึงเป็นพันๆ มีเทศกะเทวราชเป็นพันพันองค์และมีสวรรค์ชั้นอื่นเหมือนกันนะฮะมีสวรรค์ชั้นอื่นเหมือนกันก็นับเป็นพันพันนะันแล้วมนุษย์สิโลกเองก็มีเป็นพันพันก็แสดงให้เห็นว่าคาว่าโลกอื่นในความหมายทางพุทธศาสนานั้นอาจจะว่างหมายถึงโลกมนุษย์ในจักรวาลอื่นนั่นในดาวดวงอื่น หมายความมาตรฐานชีวิตแบบมนุษย์ประรฐานชีวิตแบบสวรรค์คือเรื่องเรื่องทั้งหมดที่เราเรียกเ อ, เอาเขาเรียกสวรรค์หรือไม่ก็ไม่รู้มันเรียกโดยภาษาสันนิษฐบาลีก็เรียกสักกะนะเขาไม่ได้สวรรค์ก็เรียกสักกะก็ในข้อนี้พระภิกษุตั้งหลาย กระครับสั่งเล่านะพิสูุ์ทั้งหลายเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาองค์หนึ่งได้ย้อนกล่าวกับเทวดานั้นด้วยคถานี่คื อ, ค, อ, ค, อคือโลกทัศน์ในการมองโลกเราเิ็ว่าเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกันเพราะฉะนาที่เห็นนันทวั น, นก็เห็นด้วยกันแต่ว่าเทวดาท่านมองตัวนันทวันว่าเป็นนิจังคือเชี่งแฉยั่งยืนถาวรท่านเองเอะเท่งแฉยั่งยืนถาวรไม่แปรผัน หมายความอยู่ชั่วอยู่ร่วมกันชั่วนิรัดนดร์ทีนี้เทวดา อ, องค์หนึ่งเนี่ยก็สแสดงว่าท่านมีบารมีท่านมองเห็นสังขารเนี่ยมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยอะไรก็ตามแหละไม่ว่าจะเป็นอุทยานนันทวันไม่ใช่เป็นสัจจิตรดาไม่ไม่ว่าจะเป็นศาลาสุธรรมาไม่ว่าจะเป็นพันธุกําพผลศิลาอาต์อะไรมันก็สังขารนะ่ะ สังขารมัเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปองค์ประกอบของสังขารแต่ละอย่างเนี่ยมันย่อยเป็นอนูเป็นปรามโูไปได้และในการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เอาข้อจริงเนี่ยมันก็ต้องพรากจากกันเราไม่พรากจากสิ่งนั้นถึงนั้นก็พรากจากเราพระเทวดาองค์ใหม่เนี่ยก็กล่าวว่า ท่านย่อมไม่รู้จักคำของพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าอ น, นิจจาวตังสังกรานะีคืออันนี้คื อ, อ, นน ค, อคือเรื่องแปลกเราพบถึงเทวดานี่กล่าวถึงอ น, นิจจลักษณะบ่อยทั้งๆ ท, ที่อายุของเทวดานี่ดูยากนะเพราะมันยืนมากๆมันเน็นใจลักยาก คนตั้งเขาแ้ความเชื่อจริงๆท่านยังไม่เห็นท่านก็ใช้ความเชื่อว่าพระอราหันต์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงกรรมําไมไม่เที่ยงเพราะสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะหรืออีกอย่างหนึ่งสํานวนทางอภิธรรมเรียกว่าอุปาดทิติพังคะสําสนวนประสูตรในทุกขสัจก็เรียกว่าเกิดแก่ตาย มันก็คือกันนะฮะแล้ก็แสดงว่าสังขารทั้งหลายมันไม่มีอะไรเที่ยงดาบใดที่ยังเป็นสังขารไม่มีอะไรเที่ยงพูดง่ายแต่เราสังเกตมนุษย์เรายังผขว่คว้าเยอะนะยังไขวยคว้าจะได้จะมีจะเป็นทั้งๆที่ตัวเองนี่ไม่เที่ยงไปเยอะคือคือบางทีเดินวันก่อนไป กอไปไปที่สํานักไม่กองทรรําคือที่นั้นไอประตูหน้าต่างเนี่ยมันเป็นกระจกมดเพระาะเราเดินเราก็เห็นตัวเองโอ้เราก็ผอมลงไปเยอะแก่ลงไปเยอะมันก็นึ ก, กว่าคงไม่กี่วันนะนะคงจะตายก็พยายามยังทํายังไงว่าใช้ชีวิตแต่มันคุ้มค่า มันเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาได้สนองคุณของพระศาสนาสองสนองคุณของแผ่นดินสนองคุณชาติบ้านเมืองความตายนั้นก็ปรากฏเมื่อไรเราก็ไม่รู้แต่มันใกล้แล้วละ่ะเพราะสังขารไม่เที่ยงการดำรงอยู่เป็นการดำรูเป็นขณะนนที่ถีบจนเราดูไม่ทนนะันอ่ะคือเวลาเนี้ยอย่างนึก ยังนึกในบา ง, บางเวลาจะเราเดินทางไปบรรยายในที่บางแห่งวันก่อนไปเอารถลงไปนะเอารถลงไปที่นครศรีธรรมราชเฉพาะเดินทางอยู่บนถนนเนี่ยเที่ยวละเก้าชั่วโมงครึง่งแล้วก็ไปอยู่ที่นอนอีกอะไรแต่ไรเบ็ดเสร็จเนะี่ย ว่าเข้าตั้งสามสิบปอยชั่วโมงเพื่อจะไปพูดเพียงสามชั่วโมงกันเองเดี๋ยวเราก็ดูแล้วพูดแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกพระเหล่านั้นท่านก็แก่เกินที่เราจะกระปลุกเราให้ท่านกระตือรือร้นที่จะมามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ทํางานในเชิงรุกมันมันไม่ใหญ่พูดกับคนรุ่นนี้รุนนี้มันไปไม่ได้แล้ว เพราะว่าภารกิจของเจ้าวาดวัดบ้านนอกเนี่ยมันรุงรังแต่ว่าเรื่องไร้สาระเยอะวันนั้นนับไปนับมาวันหนึ่งไม่ได้เลยหมดแล้ววันคนนั้นมาทีคนนี้มาทีคนนั้นถามนั้นคนนี้มาคุยเรื่องนี้อะไรแต่ไอะไรป๊บปั๊บป๊ป ป, ป, ปวันเวลาผ่านไปโดยวิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้สาระแกนน่นสารแต่ที่สำคัญยิ่งคือเอาชีวิตเราแก่ให้ได้ ท่านก็แสดงให้ดูถึงลักษณะของความไม่เที่ยงนะชี้ประเด็นเดียวมีความเกิดขึ้นและย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับชี้ยึบเลยท่านบอกเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่เสื่อมที่จริงเนี่ยมาดูใกล้ๆชานะฮะแต่นี่มันเสื่อมเร็วว่า เร็วจนดูไม่ทันอย่างที่เคยบอกนะว่าขณะแต่ละขณะนี่มันไม่รู้จะเรียกยังไงและนี่เขาแสนกฎขนามีนาฬิกาปรมนูเขาสามารถบอกได้ว่าวินาทีหนึ่งนี่มันผ่านขณะไปเป็นแสนแสนขนาเราก็ได้แต่ฟั ง, งนะนะคือคือไม่มีทางที่จะไปรู้ได้แสนขนานี่มันนับยังไงเพราะมันเร็วเหลือเกิน แต่นั้นแสดงเห็นว่าชีวิตเรานี่ไปเร็วมากเกิดดับเร็วมากแล้วก็ต่อเนื่องแล้ววันหนึ่งก็ดับเพราะฉนั้ายังไงว่าท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงบระ ง, งับสังขารเหล่านั้นใช้ได้เนี่ยเป็นสุขที่เราไม่สงบระ ง, งับเนี่ยเพราะหนึ่งก็คือความรัก ห่วงใยวิตกกังวลเดือดร้อนด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นนะฮะเราจะเห็นว่าตัณหาอุปาทานนะฮะอายตนาภายในอายตนาภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาป่าหนาอุปภาทานพบหรื่อ ก, การจิบมันก็เดินอย่างนี้แล้วเราก็ยึดจิตยึดจิตด้วยอำนาจตัณหาของเราของเราของเราของเรา เ ร, เ, งงเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วก็เป็นอัตตาตัวตนของเราเอาข้อจริงเราก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราจริงโดยเฉพาะอัตตาตัวตนเนี่ยที่จริงมันเป็นการเกาะกลุ่มกันแล้วก็สมมติบัญญัติขึ้นในแง่ของสมมติสัจจะนี่เราก็ต้องยอมรับไปนะมันต้องมีสื่อสมาพูด ตาเหตุตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจงพิจารณาตนด้วยตนจนตัดสินตนด้วยตนสรดสอบตนด้วยตนห้ามจิตของตนด้วยตนเป็นตนอันนี้ในแง่ของสมมุติบัญญัติมันก็ต้องสามารถสื่อสารกันได้แต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยตัวตนมันไม่มีหรอกมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มาเกาะกลุ่มกันในกระบวนการของการเกิดเนี่ย การเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราพูดถึงการเกิดเราไม่พูดถึงผู้เกิดเพราะมันไม่มีผู้มันมีแต่การมันมีแต่กระบวนการมันมีแต่กฎก็คือมีกิเลสแล้วก็มีกรรมกิเลสกับกรรมเนี่ยมันสร้างขึ้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ต้องไปอาศัยการผสมกันอย่างได้สัดส่วนของสเปิร์มกับโอว่า ในกรณีที่เกิดในขั้นแล้วก็มีเงื่อนไขขั้นตอนอะไรต่างๆอีกมากแล้วก็เกิดให้เราสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดประคนเกิดนะพระเจ้าพูดกับความเกิดชาติปีูุขาเจราปีูุขามานำปีตุขังไม่ได้พูดถึงคนนะเพราะเกิดไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวสัตว์ก็เกิดต้นไม้ก็เกิดอะไรก็เกิด ภูเขาก็เกิดดินก็เกิดทะเลก็งอกออกไปแลมก็พังก็มามันก็เกิดอ่ะแต่ทั้งหมดนั้นดำรงอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นมันก็ทําไม่ได้เพราะตัวเราเองเราจะบังคับไม่ได้เลยหะตะปาดาอนัสวะบังคับมือเท้าเรายังไม่ได้ มันก่อนตอนต้นเดือนนะหมอก็ไปสวจทางเดิอนอาหารแล้วก็ปรากฏว่ามีเชือราอยู่ข้างในก็ให้ยามาจันมันเกิดอาการหน้ามืดบ่อยยังนึกว่าไอ้โรคตรงนี้นะถ้าถึงจุดหนึ่งถ้าเราเดินแล้วไม่มีที่ใกล้ๆที่จะเกาะได้เนะี่ยแต่ขวาดคมเดียวเราก็ตายแล้ว ก็เป็นอยู่ตั้งหลายวันแล้วก็บางที่มัเป็นบ่อยเลยต้องไปนัดพบหมอใหม่หมอเลยก็เปลี่ยนยาเลยกลายเป็นต้องไปรักษาโรคอีกโรคหนึ่งคือมันต้องการขาจัดสิ่งหนึ่งแต่มันไปเพิ่มมีสิ่งหนึ่งเลยเราก็กลายเป็นหนูทดลองยาไปเลยไม่รู้ว่าไอ้ยาอะไรที่แก้โรคอย่างนี้ได้ จ, จริงๆแต่ในแง่ของความเปจริงอะ น, นะฮะคือ เราเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยไม่หายก็ตายแต่นั่นเองเพราะว่าโรคเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างคือโรคบางอย่างเนี่ยต้องรักษาจึงจงหายถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาหรือไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาหรือไม่รักษาก็ตา ย, า ย, าาาตายเพรา ะ, ะนั่นก็อย่าไปเอานิยายอะไรก็สังขารมาช่างมันน่ยมันออกมาสประตูเนี่ยประตูใดประตูหนึ่ง แล้วโอกาสหนึ่งเนี่ยเราจะออกครบทั้งสาประตูแม้ความบางครั้งเราเป็นโรคบางอย่างเนี่ยไม่ต้องรักษานอนพักผ่อนเฉยๆก็หายแล้วเราป่วยเราเข้าโรงพยาบาลก็ออกแกโรงพยาบาลป่วยเข้าโรงพยาบาลออกแกโรงพยาบาลแสดงว่ารักษาแล้วหายวันใดวันหนึ่งแหละก็เข้าไปก็ตายโรงพยาบาลเลยก็แสดงรักษาหรือไม่รักษาก็ตาย เห็นไหมว่าชีวิตทุกชีวิตมันเจอกับโรคครบทั้งสามโรคเลยแต่ถ้าเราเตรียมใจไว้ค่าโรงพยาบาลก็ต้องนึก5 0าสิบ้าสิบยังชอบใจหลวงตาหลวงตาแจ่มที่วัดท่านจะคุณราช บ, บัณฑิตชื่อแจ่มธรรมาสาโรท่านป่วยกับทันหันพวกเราก็รู้ก็ ติดต่อให้รถโรงพยาบาลจุฬามารับแล้วก็ไปส่งท่านในขณะที่เขาท่านขึ้นรถนอนเตียงขึ้นรถเนี่ยมีพระก็บอกว่าหลวงตาไม่ต้องเป็นห่วงอีกไม่กี่วันก็กลับวัดได้แล้วหลวงตาท่านบอกว่ากลับวัดตรีนั่นสินึกว่าพูดเล่นนะรุ่งเช้าไปเยี่ยมปรากฏหลวงตาพูดไม่ได้ลแล้ว ไม่กี่วันก็มโนาภาพไปว่าตีจริงๆเลยแต่ก็เห็นได้ย่างนีว่าคือท่านโปรงโตก่ะท่านปล่อยวางสังขารแล้วท่านก็ไม่ต้องการให้ไปทำอะไรกับท่านไม่ต้องการให้อะไรรุงรังแล้วก็ก็ไม่ได้ถามหมอแลแต่สรุปว่าเขามัดมือมัดเท้าท่านไว้แสดงว่าคงจะไปใส่อะไรแล้วก็ท่านท่านไม่ต้องการให้ใส่ เกิต้องการหลับอย่างสงบพอคนทำไม่มัด ม, ม, ม, มือท่นดออกที่จริงเรื่องเหล่านี้มันก็ยุ่งมากไปหน่อยเสียเวลาเปลืองสตางค์มาเปล่ามันยังไงก็ตายอยู่แล้วไปเพิ่มภาระให้แก่หมอพยาบาลแล้วก็ค่าใช้จ่ายของ เ, อเจ้าของไข้มากยิ่งขึ้นไม่ยังไงก็ตายอ่ะพราะการทําใจให้สงบในแต่ละเรื่องสัมผสัสอารมณ์เนี่ย อย่าไปคาดหวังอะไรไว้มันจะออกประตูใดประตูหนึ่งอย่างเงี้ยจหเราตั้งความหวังอะไรไว้เนี่ยมันอาจจะได้ตามที่หวังมันอาจจะได้เกินที่หวังมันอาจจะพอสมหวังมันอาจจะไม่ได้อะไรเลยมันก็มีสี่ประตูเมง่คิดเตียนใจไปเรื่อยๆสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายเนี่สัมผัสแล้วก็คิดว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้จิตสงบเพราะเตสังวูปะสะโมสุโ ข, ขเนี่ย คือจิตที่สงบระงับเวลาสัมผัสอารมณ์เนี่ยจริงจริงจิตขนาดนี้เป็นจิตระดับพระอระหันต์นะคำว่าอารหังที่แปลว่าไกลนะครที่แปลว่าไกลเอ่อมันความสัมผัสอารมณ์อะไรจิตใจของท่นก็ไม่หวั่นไหวแต่เราก็สามารถทำใจได้ในแต่ละระดับถ้ายัางทำไม่ได้ก็ต้องพยายามแหละต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วต้องฟังแต่ไร เสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกรามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี